เรื่องพระฉับพักขีถอนผมหงอกสมัยนั้นพวกภิกษุฉับพักขีช่วยกันถอนผมหงอกพวกคนทั้งหลายพากันตำหนิประนามโพลทนาว่าเหมือนคฤหัสผู้บริโภคกรรมภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ